ช่วงนี้ปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระสายเส้นชนิดแคปซูลตราดอกบัวตองเบอร์หซสี่ยากระสายเส้นชนิดแคปซูลตราดอกบัวตองเบอร์หเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณแก้กระสายเส้นบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศูน9 4 6977น้าย้ำ0 8 1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 At l a s วันนี้เราจะมาฟังสาวเสียงใสจากเมืองโคราชประวัติของเธอนั้นน่าสนใจมากนะคะตอนนี้นี่เป็นดาวค้างฟ้าแห่งวงการลุกทุ่งคือคุณตั๊กกระแตนชนระดาค่ะถ้าหากว่าในชั่วโมงนี้จะกล่าวถึงลูกสาวทุกลูกทุ่งแนวหน้านี่ต้องพูดถึงเธอค่ะเพราะว่าโอ้โหเพลงนี่ฮิตจริงๆ ยืดพื้นที่หัวใจชาวลูกทุ่งไปเลยนะคะเพราะว่าเชื่อเลยค่ะว่าใครๆนี่จะต้องฟังเธอเธอเป็นคนจังหวัดโคราชค่ะมีชื่อจริงว่าชนระดาทองจุนกลางนะคะและผลงานที่ดังเปรี้ยงเปล่าโอโหเอาเป็นว่าหลายร้อยล้านวิวที่มาร่วมร้องเพลงภูมิแพ้กรุงเทพกับป้างนะัครินเนี่ย ดังลามไปฝั่งไทยสากลด้วยอ่ะคือไม่ใช่แค่ลูกทุ่งแลค้คะที่นางดังถึงไทยสากลคือกลายเป็นนักร้องซุปตาไปแล้วนะคะตอนนี้ดังจริงๆค่ะแต่มาเล่าชีวิตในวัยเด็กของเธอดีกว่าตั๊ ก, กแตนเนี่ยนะคะเป็นลูกสาวคนเดียวจากพี่น้องทั้งหมดสี่คนคือเป็นไข่แดงค่ะเป็นลูกสาวคนเดียว แล้วก็เรียนจบปริญญาตรีนะคะจากมหาวิทยาลัยแคมแห่งจุดเริ่มต้นในการเป็นนักร้องเนี่ยต้องย้อนไปตอนเด็กๆคือตากแต่เล่าว่าได้ยินเพลงนกจา๋าเสียงร้องมาเจ้าคงสุขใจคือแม่ร้องให้ฟังแล้วก็เริ่มร้องตามแม่แต่มันยังเล็กนะคะไม่เคยเห็นหน้านักร้องหรอกก็เริ่มมัดสายแววตอนครู สอนภาษาไทยเห็นเอ๊ะเด็กคนนี้ทำไมอ่านทำนองสนองเพราะรจังเลยมีแก้วเสียงดีนะลูกครูเนี่ยก็เลยเสนอให้ตั๊ ก, กแตนเนี่ยร้องเพลงประกวดซึ่งเธอก็มักจะใช้เพลงนักร้องบ้านนอกของพุ่มพว ง, พงดวงจันทร์มาประกวดต่อมาเนี่ยพออยู่ม .3 ก็มาหางานทำในกรุงเทพนะจบม .3 แล้ว ก็ไปทำงานโรงงานเย็บผ้านะคะแล้วก็เห็นเขามีการประกวดชุมทางเสียงทองสัญจรไม่รอช้าค่ะเข้าร่วมประกวดในเพลงไอ้แสงนีออนของพุ่มพวงแต่ก็ตกรอบค่ะทีนี้ตอนหลังก็เลยเดินสายประกวดร้องเพลงในรายการ first stage show ก็ได้รางวัลที่3ค่ะคือคนที่ได้รางวัลที่หนึ่งเนี่ยคือไอซ์ซรันยูไง อ่ะไอซ์ันอยู่ที่เป็นนักร้องเพลงสากลน่ะส่วนเอ่อคนที่เป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคือป๊อปปองกูลทีนี้ตั๊กกะแตนมีเพลงนะคะของตัวเองคือขอจองในใจแต่กว่าจะได้เป็นนักร้องของแกมมี่เนี่ยเธอต้องเทสเสียงถึง3มครั้งเนี่ยจนกระทั่งปีสองห้าสี่เกมีโอกาสได้ออกอัลบั้มของตัวเองค่ะ ก็เพลงที่ดังนะคะอย่างเช่นขอจองในใจนักร้องงานเลี้ยงแต่ก็ไม่ค่อยดังแต่เพลงที่ทำให้เธอเนี่ยดังเป็นผู้แตกเพราะว่าอาจารย์สลาคุณวุธเป็นคนแต่งเพลงให้ชื่ออัลบั้มนั้นว่าถนนค้นฝันนะคะโดย เพลงนั้นน่ะดังแล้วก็เพลงทิตดังจริงๆคือไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้นั่นแหละโอ้เพลงนั้นดังเลยอาจารย์สละแต่งจนเธอดังอะ่ะแล้วก็มีเพลงร้ายต่อหลายเพลงเช่นจิรักหรือจิรอกนะคะแล้วก็มีเพลงฮิตอย่างเช่นอย่าโทมาแคร์ปอบใจอันนมีคนเหงารอยอยู่เบอร์นี้อย่างงี้อยากเป็นคนรักไม่ได้อยากเป็นชู้ <laughs> เยอะเลยนะคะ ก็ดังจนกระทั่งปัจจุบันนะคะแล้วด้วยความที่โด่งดังเธอเนี่ยทำให้เธอได้รับรางวัลไลยต่อหลยสถาบันอ่าแล้วก็ชีวิตอ่าสมรสของเธอตอนนี้ก็ ส, สมรสแล้วนะคะแต่งงานเมื่อปี2559ส่วนตั๊กแตนนะคะถ้าเกิดใคร สังเกตตามๆนะเธอก็เคยเล่นภาพยนตร์ด้วยนะแล้วก็เลยเล่นเอ่อมิวสิกวิดีโอเพลงคนบ้านเดียวกันกับภัยพงศธรซึ่งคือเธอกลายเป็นซปเปอร์สตาร์ของวงการลูกทุ่งไปแล้วนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังผลงานเพลงนะคะของตั๊กกระแตนชนระดากันในชื่อเพลงว่า ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้แล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะจะไปฟังว่าพ้นงานเพลงแล้วก็ประวัติชีวิตของนักร้องคนไหนที่ดีเจแอมจะมาเล่าให้ฟังนั้นติดตามฟังกันค่ะ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 เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของหลานชายของคุณแววเทพสงกันค่ะสวัสดีค่ะครับอครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวแนะนําชื่อนามสกุลเลยค่ะอ๋อผมนายนรลงเดชเทพสงครับค่ะเป็นหลานของคุณแววเทพสงนะคะเป็นลูกชายครับเขาเป็นลูกชายค่ะอยู่อยู่ที่ไหนคะอ่านครสวรรค์ครับอ่าอยู่ตรงหมู่หมู่อะไรหมู่สิบครับหมู่สิบตําบลค่ะนครสวรรค์ตกครับอําเภอเมืองครับ ค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะใช่ครับค่ะคุณนรงค์ใช่ไหมคะครับคุณณรง์เทพสงครับค่ะคุณนรงค <c oughs> นะคะคุณนรงค์เออ่ช่วยเล่าอาการของคุณแม่ค่ะว่าก่อนที่จะมาใช้มูลไรท์คุณแม่อาการเป็นอะไรมาคะก็มีอาการปวดเข่าครับแล้วปวดตามข้อตามอะไรเงี้ยครับข้อมือข้อแขนเงี้ยครับตามขาครับคะเป็นมานานเลือดแล้วหรือยังคะก็เป็นมาได้สักปี ปีครึ่งได้ครับปีคร wow okay, ึ่งนะคะครับแล้วเวลาที่คุณแม่เป็นปวดเขาเนี่ยก็ปวดแบบไม่ไม่คองครับลุกกระลุกไม่ได้ครับลูกนี่ต้องหาอะไรพยุงจับก่อนครับค่อยลุกอืมค่ะครับลุกไม่ค่องหาอะไรพยุงจับก่อนนะคะครับก่อนจะลุกได้ครับแล้วเวลาเดินนี่ก็จะปวดขามากเลยครับก่อนที่จะทานครับอืมค่ะครับ แล้วมารู้จักกับมูลไร้ได้ยังไงคะก็ฟังจากรายการวิทยุครับค่ะก็เลยลองซื้อมาทานดูครับแล้วคุณแม่ฟังจากรายการวิทยุค่ะเออคุณแม่ได้ลองใช้ไปแล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับค่ะครับก็เลยแนะนําให้พอรู้สึกว่าดีขึ้นก็เลยแนะนําให้เพื่อนทางบ้านทานด้วยโ อ, อค่ะรู้สึกว่ามันดีขึ้นครับ อ่าตรงส่วนไหนบ้างคะที่ว่าดีขึ้นนะคะก็หัวเข่าครับส่วนมากจะเป็นหัวเข่ากับน่องครับค่ะจะปวดมากเลยเวลาเวลาเวลาเดินเพราะก็ต้องรับจ้างสักผ้าครับเขาต้องเดินทั้งวันเนี่ยครับค่ะเดี๋ยวนี้ก็คือหัวหัวเข่าเบาน่องหายปวดใช่ครับใช่ครับค่ะแล้วตามรังกงร่างกายนี่ก็เบาขึ้นเยอะเลยครับลุกก็ไม่ค่อยปวดเนี่ยครับ แล้วคุณนรงค่ะมองว่าผลิตภัณฑ์ของมูลไบร์นะคะราคาเนี่ยสูงไปไหมเมื่อเทียบกับที่คุณแม่อาการดีขึ้นไม่สูงครับค่ะครับค่ะทางรายการมูนไบร์นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณนรงค์เทพสงลูกค้<ข>า ค, คุณแบลวเทพสงที่อากา ร, ค, รคุณแม่ปวดขาปวดเข่าลุกไม่ไหวเอี๋ยวนี้ดีขึ้นหมดแล้วนะ ค, ะครับใช่ครับ ค่ะแล้วคุณนรง์มีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังทางวิทยุไหมคะที่มีคุณแม่แล้วอาการแบบปวดเมื่อยแบบนี้ค่ะก็อยากให้ลองหันมาทานดูกันนะครับออครับตอนแรกก็พอได้ยินก็ไม่ค่อยเชื่อครับพอพอลองได้ซื้อมาทานดูก็เชื่อเป็นอย่างที่เขาโฆษณากันนะครับที่สัมภาษณ์กันนะครับแล้วคิดว่าที่สัมภาษณ์กันเนี่ยเป็นหน้าม้าไหมไม่ใช่ครับของจริงครับ พอาะถ้าใครไม่ลองกับตัวเองก็จะไม่รู้ครับว่ามันดีขึ้นนะครับค่ะครับทางรายการมูนไบรท์ต้องขอขอบคุณนะคะคุณนรง์เทพสงลูกชายของคุณแววเทพสงครับที่วันนี้ได้มาแบ่งปันประสบการณ์อว่าได้ใช้ผลิตภัณฑ์มูนไบรท์แล้วอาการดีขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับชาหมือนชาเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ํามันมูนไบรท์จํา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 ชื่อจันทเศรษวงจันเสรจวงเป็นภรรยาของใครคะของนายเท่าชัยพฤกษ์เจริอินแน่เนี่ยค<า>่ะอยู่อยู่นครสวรรค์ตกเนี่ยหมู่สิบเนี่ยอ๋อหมู่สิบนาครสวรรค์ตกอำเภอเมืองนาครสวรรค์ใช่ไหมคะจ้าค่ะไม่ทราบว่าอาการเดิมอ่ะก่อนที่จะมารู้จักกับมูลไบคุณหนางเป็นไรหมหลังเขาขดอะ่ะหลังเขาขดขดแล้วก็มันนูนนูนขึ้นใหญ่เลยนะค่ะแล้วตอนนี้มันหายไปแล้วอ่ะ ฉันฉันบอกกับมันนั่นว่าจะบอกกันเนี่ยลองดูก่อนว่างั้นมันมันหายมันยุบไปไหนเราไม่รู้มันไม่เห็นแล้วอ่ะใหญ่เยอะใหญ่เยอะนะค่ะหลังขดหลังขดแล้วมันนูนขึ้นมาแบบอย่างก็หลักยังก็เต่าเลยน่ะโอ้โหใหญ่เต่าแล้วมันแข็งอืมมันมันเป็นแถบเดียวแถบแถบขวามือแหละอันนี้มันหายไปเร็วอ่ะอ๋อใช้มูลไบไป กี่วันคะถึงหายไปเนี่ยตอนแรกฉันสังเกตดูมันได้สักห้าวันหรือหกวันนี้เนี่ยมันค่อยๆหายมันค่อยๆจางไปแต่ก็ยังไม่พูดให้เขารู้นะให้ตัวเขารู้ฉันก็สังเกตดูว่าเออมันหายไปยังไงวะหลังนั้นเอ้วตอนพอได้สักกินในหินปูนอ่ะเจ็ดวันใช่ล้วมันนี่มันก็หายไปก็เลยบอกเขาว่าเออหลังมันหายไปไหนก็บอกเขางั้น แล้วหลังล<ะ>เป็นอย่างนั้นเน่ะคือมันต้องมีอาการปวดเมื่อยบ้างแหละแต่ก่อนอะอาการปวดเมื่อยมีอะไรบ้างคะเขาเขาก็ไม่ได้ปวดเมื่อยนะแต่มันเป็นขึ้นมาเองอะหลังอ๋อหลังมันนูนเออแล้วนี่เห็นเห็นกับตาเลยว่าหลังยุบไปเลยหลังยุบ ไ, ไปแล้วค่ะแล้วแต่ก่อนนี่เคยพยายามรักษาไหมไอ้ที่หลังหลังนูนนูนเนี่ยไปรักษาแล้วมันก็ไม่หา ย, อยไอ้พวกยาสมุนไพรเนี่ยกินไม่รู้จี ชนิดมันก็ไม่หายมันก็ไม่เห็นผกผิดปกติมันก็อยู่อย่างเกา่าพอมากินมูลไลนนี่เออมันหายไปได้ยังไงว่างั้นบอกแต่นอนงายก็นอนอยากนะเมื่อก่อนเนี้ยแต่ตอนนี้อนอนได้สบายแล้วืมแล้วคุณภรรยาคุณทาวชื่ออะไรนะคะคุณจันอาคุณจันคุณจันนะคะมองว่าผลิตภัณฑ์ของมูลไรน์อะ่ะ ราคาเนี่ยมันแรงไปไหมเมื่อเทียบกับสิ่งที่สามีของเราหายโอ้เราว่าไม่แพงอยู่แล้วเราอ่ะสำหรับเราอ่ะไม่แพงเลยแหละถูกดีด้วยมิน <ไป S 2> มาไม่ร <ไป S 1> <ม>ู้สี่อย่างมันก็แพงเป็นพันสองพันสามพันสี่ยังไม่ได้ผลเลยค่ะแล้วคุณจันจมองว่าออผลิตภัณฑ์มูลไบต์อ่ะคือมันเป็นหน้าม้าไหมเพราะบางคนนะเขาฟังวิทยุฟังที่เราสัมภาษณ์กันนะ่ะเขากลัวว่ามันไม่จริงหรอกน่าจะเป็นหน้าม้านะ โอ้ไม่จริงอะแต่ว่าเขาดีแน่ละ่ะน้ำมันก็ดีคุณคุณจานยืนยันเลยนะคะว่าตัวเองได้ใช้จริงส า, ามีได้ใช้จริงแล้วหายจริงแล้วดีขึ้นไม่ไม่ไม่ต้องกลัวใครไม่ลองไม่รู้มันอยู่ที่ตัวเราเองที่จะจ ะ, จะหายอ ะ, อะถ้าตัวเรามั่นใจอะลองเลยได้เลย ไม่กี่วันเนาเห็นผลเลยแต่แต่ฉันว่ามันไม่กี่วันจริงๆอะเขาเห็นผลอ่ะสุดยอดมากเลยอ่ะนั่นยังไม่ได้กินตอนตอนกินหินปูเนี่ยมันก็ยุบไปเลยนะอืโหสุดยอดยุบไปหน่อยหน่อยยุบไปเยอะเนน่ยุบไปผิดตาพอมากินไอ้นี่ได้สักมันต้องกินยี่บแปดวันใช่ไหมอันนั้นอะกินได้สักอาทิตย์นึงเออมันก็หายไปเลยว่ะออเห็นไ พอเราปรับเส้นเอ็นให้ตรงอะไรทุกอย่างมันก็หายเลยตรงเลยอจบเลยนะคะเออค่ะค่ะแล้วคุณมีอะไรจะฝากกับอ๋อภรรยาพ่อบ้านหรือบางคนยังไม่มั่นใจจะฝากอะไระกับผู้ฟังคะใครใครใครไม่ได้ลองก็ลองซะมุนไลดีแท้เลยกินได้ผลมไม่ต้องว่าเคาะหลอกของจริงเลยฉันก็พยายามบอกคนนั้นคนนี้เขาอยู่เนี่ยอแนะนําเขาอ่ะ ค่ะมาตลาดกันแนะนําเขาบอกคนนู่นบอกคนนี้ค่ะเราเพิ่งกินยังไม่พอเดือนนะเนาะก็เห็นผลเลยหายเลยค่ะค่ะทางรายการมูนไรท์ต้องขอขอบคุณนะคะคุณจันภรรยาของคุณเท้าเป็นอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้ได้มาบอกเล่าเกี่ยวกับอาการหลายอยู่หมู่สิบตำบลนครสวรรคตกอำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณจ้าขอบคุณจ้า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 เฉลี่ยวันละยี่สิบบาทเท่านั้นทุกชุดจัดส่งฟรีเก็บเงินถึงหน้าบ้านคุณหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์081 394 6ดหนึ่งสาม้าสี่หเก้าเจดเจ็ดย้ำศูนหนึ่ง สามเก้าสี่หกเก้าเจ็ข่าวดีค่ะเพียงท่านสั่งชุดน้ํามันมูลไบรชุดใหญ่รับของแถมฟรียำ้ำสั่งชุดน้ํามันมูลไบรชุดใหญ่รับของแถมฟรีชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถม จะรู้คำว่ารักที่ได้ยินได้ฟังทุกวันไม่ได้มีแต่ฉันที่เป็นเจ้าของแค่อีกคนที่โดนหลอกใช้ให้งงง่ายว่าได้ครอบครองแค่หนึ่งในตัวสำรอง เพื่อนรักของฉันฉันควรทำ ขวั Phantom! แต่กรรม The c a m สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงมูลไบรท์สัญจรบอกเล่า90ความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มูลไบรท์ค่ะวันนี้นะคะาทางาทางมูลไบรทก็ได้อยู่กับคุณป้าแล้วก็คุณลุงนะคะซึ่งคุณลุงเนี่ยเป็นคนสั่งนะคะคือคุณลุงเล็กจันโอนแต่ว่าคนที่ทานคือภรรยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจักราแนะนำชื่อนามส ก, กุลแล้วก็ที่อยู่เลยค่ะ น้องทวีเรื่องหลงค่ะค่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่จ๊ะเลขที่สองสองศูนย์ห้าค่ะมูจีจังหวัดนครสวรรค์ตั ว, วนครสวรรค์ออกอ่าอยู่ตําบลนครสวรรค์ออกอําเภอเมืองนะคะอ่าคุณทวีเนี่ยเป็นภรรยาของคุณลุงเล็กจันโอ้นนะคะได้ใช้ของลุงไบรท์ไปแล้วนะคะดีขึ้นรบกวนคุณทวีเล่านิดนึง ก่อนหน้าที่จะมาใช้มูลไบรท์อะอาการเป็นยังไงบ้างคะมันปวดจ้ะจ้ะมันปวดไอ้สะโพกแล้วปวดไอ้หน้าแข้งจ้ะหลังก็หน้าแข้งอืมปวดสะโพกปวดหลังหน้าแข้งเป็นหนักขนาดไหนอะคะเดินไม่ได้เลยมันปวดค่ะ นั่งกินข้าวยังกินไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหนั่งกินข้าวไม่ได้หนักนะคะแล้วเวลาทานข้าวทำไงอ่ะนั่งไม่ได้ก็นั่งได้แป๊บเดียวกินข้าวได้คำสองคำมันก็ปวดแล้วต้องนอนอย่างั้นอ่ะปวดมานานกี่ปีแล้วประมาณสามสี่เดือนเนี่ยอ๋อปวดสามสี่เดือนแล้วคุณป้ารู้จักกับมู b ไ i ร h t ได้ไงจ๊ะ ก็ฟังในวิทยุเนี่ย<อ>ตรงเลือพยาบานเข้าจดไอ้จดเบอร์โทรเข้าไ้อืมค่ะเพื่อนบ้านโจทเบอร์โทร ไ, ไปหาเนี่ยอืมค่ะแล้วป้าทานแล้วเป็นยังไงบ้าคะก็รู้สึกว่าเบาเบาเยอะแล้วก็นั่งกินข้าวได้สบายหน่อย เดินไปไหนมาไหนได้มังแล้วอ๋อได้เดินมากขึ้นนะคะหลังจากที่เดินไม่ได้เลยอ๋อค่ะแล้วคุณป้าค่ะคิดว่าราคาสินค้าของมูนไบรท์เป็นยังไงแพงไปไหมหรือว่ารับได้ก็ไม<ะ>่แพงเท่าไรแร้วจ้าอ๋อรับได้จ้าเอะคุณป้าคะนิดหนึ่งนะคุณป้าเบาตัวตั้งแต่ชุดแรกที่ใช้เลยหรือเปล่า ใช้ชุดเล็กอะใช้ชุดเล็กแล้วดีขึ้นเลยเหรอคะ้ามันก็พอนั่งได้กิงข้าวได้อืมอ๋อพอหมดชุดนั่งแล้วก็สั่งชุดใหญ่มาเลยเนี่ยอ๋อจ้ะอืคุณกิงได้สามสวันเนี่ยอืมค่ะแล้วคุณป้ามีอะไรจะฝากกับคนที่เขาปวดสะโพกเดินไม่ได้เหมือนคุณป้าบ้างไหมคะ ก็ให้ใช้โมลไลนี่แหละมันจะเมามากกอ น, นั่งกินข้าวได้ไปเดินได้เนี่ยอืเรียกได้ว่าชีวิตนี้นเมาปวดเบานั่นไปค่ะค่ะเดี๋ยวขอคุยกับคุณลุงเล็กจันอ้นหน่อยจ้าค่ะคุณลุงเล็กค่ะลุงเล็กสามีคุณป้าทวีนะคะ เดี๋ยวลุงเล็กช่วยยืนยันหน่อยจ้าว่าคุณป้าอาการดีขึ้นจริงหรือเปล่าจ้าจ้ะคุณป้าเขาเ็าพอจะออกินหมุนหมุนใบแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะค่ะจ้มรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะดีกับเก่าเยอะที่แรกก็อาการอย่างกีเขาพูดนั่นแหละจ้ามันปวดแล้วก็กินข้าวไม่ได้ หนึ่งคำสองคําตรงละไปนอนอะไรเงี้ยเลยพอดีอ่าก็ผมก็อ่าลุงก็ได้นั่งฟังวิดีุ อ, ล เ, อเลยก็อ่าเลยกี่โฆษณาตรงกับเรื่โลกของภรรยาเราเลยลองสั่งซื้อกินนะครับอืมค่ะโลค่ะค่ะต้องขอขอบคุณคุณลุงเล็กกันโอ้นมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ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 สามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณสมพงษ์ท้วมนิ่มกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับผมสมพงษ์ท้ว ม, มนิ่มค่ะอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะ ส, สคิบสองทับสามหมูส่สามนครสวรรค์หกค่ะสวรรค์นครสวสรรค์ค่ะคุณสมพงษ์คะอาการก่อนหน้านี้คุณลุงเป็นอะไรมาคะ เป็นเก้าแล้วก็ปวดขาทั้งสองข้าง อ, อ๋อเป็นเกล้ากปวดเก้าด้วยฮน ะ, ะ, ะแล้วก็นิ้วมันก็กระดิกไม่ก็ได้ อ, ะอ่ะนิ้วล็อกฮะแล้วก็ขาข้างคืนนอนเป็นตะคิวด้วยอ๋อเป็นตะคิวด้วยนาหวานอ๋อหาวานด้วยนะครับที่คุณลงสมพง์เป็นเก้าปวดขาทั้งสองข้างนิ้วล็อก ตกคิวเป็นมากี่ปีคะลุงโอ้ประมาณยี่บสองปีนะยี่สิบสองปีเลยเหรอคะอ่ารักษามามกับำเบาให้หายอ๋อเป็นนหายๆคือไม่หาย่าสักทีครับค่ะแล้วคุณลุงรู้จักกับมูนไบร์ได้ยังไงคะฟังวิทยุคระฟังวิทยุค่ะครับลูกสาวก็เอาอวิยุมา ก็นอนฟังอยู่ฟงงก็โลกเราค่ะแต่เราคใายไปมันทุนเราไปล็อกนิ้วมันก็คลายสักทีว่ามัไม่เป็นแต่ไอ้การเดินเองเดินไม่คล่องอเออเดินจนสั่งใหม่ค่ะก็คือว่านิ้วนิ้วเบาล็อกแล้วก็ว่าเข่าก็เบาฮะว่าเข่าก็เบานะครับ แล้วบางคนนะคะเขาฟังฟังอยู่อ่ะออรู้แหละ ว, ว่ามันตรงกับโลกอ่ะแต่ว่าไม่มั่นใจลุงจะให้ความมั่นใจเขายังไงอะคะวนเดียวนี้ก็ใช้ก็แม่บ้านนะแ ม, ม่บ้านใช้ด้วยอ๋อแม่บ้านใช้ด้วยแล้วเป็นยังไงบ้างคะเบาฮะคือก่อนแก่หลังงอเลยค่ะจากการปวดขาขาแต่เดี๋ยวนี้ก็หายเขาก็เราให พอมาใหม่มันใส่จะหมดนะอคือจะมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยออืน้แต่มันใช้สองคนใช้กันสองคนเออเพราะภรรยานี่ก็ปรวจรนบ้านก็เดิมก็เหมือนกับปวดหลังปวดหลังนเอค่ะปวดหลังปวดขาเออเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นเขาดีขึ้นมากอแล้วคุณลงสมพงศ์มองว่าผลิตภัณฑ์มูนไบต์ราคาพอไหวไหมคะ ผมราคาพอไหวครับอืมเนาะราคาไม่แพงไม่แพงค่ะค่ะทางรายการมูลไบร้์นะคะต้องขอขอบคุณคุณสมพงษ์ทวมนิ่มนะค ะ, ะที่อยู่สามตําบลนครสวรรค์ออกอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ะนะคะที่วันนี้ได้มาพูดคุยนะค ะ, ะเกี่ยวกับเรื่องอการใช้ของผลิตภัณฑ์มูลไบรท์ว่าดียังไงนะค ะ, อะขอบคุณมาก ค, ะค่ะกุลลง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 1,700 พบาทเฉลี่ยวันละย0่กว่าบาทเท่านั้นทุกชุดจัดส่งฟรีเก็บเงินถึงหน้าบ้านคุณหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 1 3 9 4 6 9หนึ่ง้สาย้ำศู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 คือทิพมณีสีสุวรรณนะคะร้อยห้าสิบครับห้าค่ะหมู่สีต่ตำบล น, นครสวรรค์ออกค่ะอาเภอเมืองนครสวรรค์ น, นะคะค่ะค่ะคุณทิพมณีคะเอ่อก่อนหน้าที่คุณแม่จะมารู้จักกุมูลไร้เนี่ยคุณแม่เป็นอะไรมาคะเป็นขัวเข้าอ่ะค่ะอืมเป็นพวกเออเหมือนพวกเก๋าพวกขัวเข้าอ่ะค่ะอ๋อแล้วเป็นมานแลหรือยังเอ่ยนานแล้วหลายปีแล้วค่ะอืมค่ะแล้ว เวลาคุณแม่เป็นทีเนี่ยคุณแม่บวดว่าปวดมากไหมก็เวลาลูกมันก็จะดังกบกับกับแก็ บ, กบอะค่ะมีเสียงเออมัน ม, มีเสียงเลยมันรู้สึกได้ว่ามันดังมันลั่นอะไรเงี้ยวลาวปวดวลาปวดมากๆแล้วมันจะบวมไหมคะค่ะโอ้หัวเขาบวมด้วยใช่ใช่มันจะบวมแล้วลเค ย, ย เ, เคยไปหาวิธีรักษามาก่อนหน้านี้ไหมก็ไปหาคุณหมอให้คุณหมอฉีดยาแก้ปวด แล้วก็ซื้อยากอรมาทานพวกเนี้ยค่ะอืแล้วทานเราเป็นไงใช้เราเป็นไงดีขึ้นไหมตัวเก่าๆอะไรพวกนั้นน่ะมันก็มันก็ช่วยได้บ้างไม่มากเท่าไหร่ก็เพียงแค่ว่าเออมันก็บรรเทา ป, ปวดแค่คุณหมอฉีดยากแก้ปวดอือแต่เขาก็บอกว่ามันก็ไม่ถึงกับว่าหายเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมอไม่ไม่แล้วที่ตอนหลังก็คุณแม่ก็มาฟังวิทยุอ่ามาฟังวิทยุใช่เขาชอบฟังตอนเย็นก็เลย ฟังฟังมูลไล่มาเรื่อยก็ เ, เลยลองสั่งดูชุดใหญ่ลอง พ, พอดีน้องสาวเขาก็เป็นด้วยค่ะก็เลยสั่งชุดใหญ่แล้วก็มาแบ่งกันค<ะ>่ะอ่าก็เลยลองทานไปนั่นแหละเขาก็ว่ามันก็ได้ได้ผลนะคะก็คือเบา อ, อบอวลแล้วก็เหมือนก็ว่ามันเขาว่ามันเหมือนกับว่าทานไปนแล้วมันเหมือนจะมีเนื้ออะไรลอกออกมาเหมือนเป็นสเก็ดอะสเก็ดเหมือนลอกออกมา อตามเท้านิ้วเท้าเขาอ่ะค่ะหรออ่ะใช่ที่ที่ลอกเป็นสเก็ตออกมาแล้วเขาเจ็บไหมเวลาลอกออกมาแล้วไม่เจ็บนะเขาบอกไม่เจ็บอ่ะมัเหมือนเซลล์เซลล์เซลล์เก่ามันตายอ่าใช่ใใช่อะไรํานองนั้นอะแล้วเขาก็บอกมันก็เบาปวดเวลาลุกมันก็เหมือนก็ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงก็ลอกก็แก๊ปอะไรของเ้าค่ะขึ้นมาก็ติ่มาก็ปี้กระเป๋าดีะค่ะ ค่ะท่านผู้ฟังคะ เ, เดี๋ยวให้ความรู้คุณทิมณีแล้วก็ท่านผู้ฟังพร้อมกันในตัวเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของออที่นิ้วเท้าที่ลอกออกมานะคะเกิดจากการผัดเซลล์ผิวเพราะว่าสมุนไพรของมูลไบรเนี่ยค่ะจะช่วยปรับสม ด, ดุลร่างกายคือท่านใดก็ตามเนี่ยที่ข้างในนะคะอาจจะคาดไม่สม ด, ดุลมันก็อาจจะเกิดอาการเจ็บป่วยได้เมื่อเราได้ ให้ร่างกายเขาฟื้นฟูตัวของเขาเองในที่สุดนะคะเซลล์ผิวที่ตายแล้วของไม่ดีมันจะหลุดลอกออกไปแล้วก็ เ, <อ>เผยผิวใหม่แล้วก็ทําให้สุขภาพนี่ก็แข็งแรงขึ้นดีขึ้นเสียงในฝุ่นเข่าก็จะหายไปแล้วก็ที่อาการปวดเข่าก็หายไปด้วยเพราะของเราเนี่ยช่วยในเรื่องของเส้นเอ็นโดยตรงนะคะ<อ>แล้วก็เรือ ง, องเลือดนะคะ อือค่ะแล้วเอ่อคุณทิมมนีมองว่าผลิตภัณฑ์ของมูลไบรท์เป็นยังไงคะเทียบกับคุณภาพราคาถูกไปไหมก็สมมันก็ไม่ถึงกับแพงเกินไปแล้วก็ถูกเกินไปมันก็โอเคนะคะสําหรับคนพื้นบ้านอย่างเราก็พอสั่งซื้อทานได้อ่ะคะ่ะก็คือลองแล้วก็เลยรู้ไงคะว่ามันโอเคเออมันก็ได้ผลน้ํามันก็ไม่ถึงกับแพงแล้วเราก็พอซื้อทานได้เรื่อย ๆ, อๆค่ะอืมค่ะค่ะแล้วน้องสาวอาการเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ เขาก็ทางก็ดีนะคะเขาเขก็จะโทรสั่งสั่งอยู่เห<ช>มือนกันเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้พี่สาวโทรสั่งอาจจะโทรสั่งต่อด้วยโอ้โหค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมาก <pineapple. S 1> ค่ะค่ะวันดีค่ะชาหมือนชาเท้ า, ทาปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ํามันมูนลไบจัม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 ชือกัรยาจันจุรงจ้ะ45หมู่5ตำบล น, นครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จ้ะคุณกะรายาคะการก่อนที่จะใช้เนี่ยพี่สาวเป็นยังไงมาบ้างอ๋อเขาบอกข้อมือเท้าชาจ้ะอ๋อค่ะมือเท้าช า, ชาแล้วรักษามานานไหมก็พอเข้าชาไม่เท่าไหร่เขาก็มาฟังยิวเขาเริ่มกินอเอเขาก็บอกกินแล้วดีจ้ะ ำมังกระทาดีแสดงว่าก่อนที่จะรู้จักกับโมนไบรเนี่ยมีอาการมือชาเท้าชาเนี่ยจ<ะ>ัดว่าทรมานมาก <จะ S 1> แล้วเป็นมากี่ปีอะคะอ๋อเป็นมาสามปีแล้วจ้ะเป็นมาสามปีเอคือพี่สาวเนี่ยเป็นมือชาเท้าชาเป็นมาสามปีนะคะจา<ะ>กแล้วก็รักษามาทั่วไหมก็เขาก็ไปหาหมอมากินยามั่งกินยามั่ง ก็กระเบาช่วยกินยาแป๊บนึงกระเบาเดี๋ยววันก็ปวดเมื่อยอีกอ๋อแล้วก็เขาบอกว่าชอบเป็นตะคิวจ้ะอืมเขาเป็นตะคิวตะกลางคืนใช่ไหมจ้ะจ้ะแล้วนี่มารู้จักกระมุนไบด้วยการฟังวิทยุอ่ะแล้วลองใช้ฟังวิทยุอืมอ่ะแล้วลองใช้ดูเ<ฆ>ขาบอกตอนนี้เขาไม่เป็นตะคิวแล้วค่ะอืม ไม่เป็นตะคิวแล้วแล้วอาการที่แบบว่ามือชาเท้าชาเนี่ยเบาลงไหมเบาจ้ะแล้วคุณกัลยามองว่าผลิตภัณฑ์ของมูลไบร์เนี่ยราคามันเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับสิ่งที่พี่สาวหายจากเป็นตะคิวนะแล้วก็เบาค่ะอืมก็ดีค่ะดีค่ะถ้าหายแล้วก็ดีหายแล้วก็ดีแล้วคุณกัลยามองว่าไอ้ที่คนฟังทางวิทยุอะ บางคนก็ฟังอะโว้ยหน้าม้าหรือเปล่าไม่แน่ใะตอนแรกก็คิดเหมือนกันแหละเออนะอ๋อตอนแรกก็คิดว่าไอ้ที่สัมภาษณ์กันมาเนี่หน้ามา้าใช่ไหมจ้ะพราะว่ามีคนบอกว่าอย่าไปเชื่อเลยก็เป็นหน้ามา้าก็เลยพอดีพี่สาบอกทานว่าลองดูลองคิดดูอ๋อแล้วเออเราแล้วลราพอมาสั่งจริงๆแล้วปรากฏว่าเป็นหน้าม้าไหมไม่เลยจ้ะก็กินดีเหมือนกัน กินดีเหมือนกันเพราะว่าท่านผู้ฟังคะคนที่แถบผ้านะคะก็เหมือนกับคุณกัญยาจันจุรีตอนนี้ยค่ะพราะทานดีก็มาบอกเล่าให้ฟังทางรายการวิทยุะนะค ะ, ะคของเราก็รับประกันเลยว่าไม่ใช่ห่าหมาเป็น ผ, ผู้ใช้สินค้าจริงๆนะคะแล้วดีขึ้นเลยมาบอกต่ออ่เดี๋ยวคุณกัญยาคะเดี๋ยวขอคุยกับพี่สาวหน่อยได้ไหมอ๋อได้จ้าสวัสดีค่ะค่ะคุณป้าคะเห็นบอกว่าเป็นเ อ, อคนที่ ใช้ผลิตภัณฑ์มูนไบรท์จริงๆเนาะจ้าจ้าจเดี๋ยวให้คุณป้าแนะนำชื่อนามสกุลหน่อยจ้ะ่โอ้ก็ก็ชื่อนามสกุลเหรอคะอือพี่นางบางออนนามสกุลชมิเขตกิจค่ะอ่าคุณบางออนชมีเขตกิจเห็นเออคุณกาลยาผู้เป็นน้องสาวเนี่ยเวลาจะสั่งมูนไบรท์ใช้ชื่อน้องสาวแต่คนที่ใช้ค่ะค่ะเพราะว่าพูดไม่ค่อยเป็นค่ะ ค่ะแล้วคุณบางออนเนี่ยเห็นบอกว่าชามือชาเท้าเป็นตะคิวมาสามปีแล้วคะค่ะแล้วเวลาเป็นขึ้นมาเนี่ยทรมานไหมทรมานค่ะมันจะขึ้นเป็นไอ เ, เป็นลำขึ้นมาเลยคะ่ะแล้วก็เวลานั่นแล้วก็มันปวดแล้วเสร็จแล้วก็มาฟังไห้นางฟ้าสองคนแม่ลูกอ่ะก็ไอ้วไอเอ็มอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็น อ่าดีเจแอมแล้วก็แล้วก็เสร็จแล้วก็ลองสั่งดูเขาบอกว่าอู้คิดเข้ามาพูดกันนะเขาเป็นหน้ามาเราบังต้าอย่าไปกินเลยนี่เราก็ลองสั่งไปให้ให้ล้องสาวสั่งไปเสร็จแล้วกินแล้วไอ้ตะคิวมันก็หายจ้ะมันก็เบาไปหาหมอมันก็ไม่หายมันกินยาเสร็จแล้วก็พอหมดฤทธิ์ยามก็เป็นอีกพอเที่ยงคืนก็เป็นอีกค่ะ อืมแล้วป้าตอนนี้จะฝากอะไรกับท่านผู้ฟังทางวิทยุที่กลัวหน้ามา้าแบบที่ป้าเคยฟังคนอื่นเขาเล่ามามูปปนใบไม้โออก็ออจะฝากเออท่านผู้ฟังที่เคยฟังกันน้ก็กคือว่าไม่ใช่หน้าม้าละค่ะเพราะว่าคือกินจริงๆเพราะว่าเข้าเป็นเข้าใช้ได้เลยจ้ะเพราะว่าการ ช, ชาการอะไรช า, าเคเอ มือชาเท้านี่มันจะหายหายเลยเท่านี้หายนะคะค่ะหายค่ะหายแล้วไม่ต้องไปกินยาหมอแล้วค่ะโอ้ใช้ผลิตภัณฑ์มูมลไบรท์เพียงอย่างเดียวนะค่ะทางรายการมูลไบรท์นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณบัณฑนพี่สาวของคุณกัญยาจันจุรีเป็นจริงนะคะที่วันนี้สองสีพี่น้องได้มาบอกเล่าเอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มุนไบรท์นะคะขอบคุณมากค่ ะ, ค ะ, คะ